ของคนที่ต่างเอาไอ้สถาปิตสถาปใจของคนรุ่นหลังที่ยังอยู่กัหลักสางการสั่งเจดีย์สั่งจะถูกสมัยพุทธกาลหรือไงประวัติทางศาสนาทางกุอานนิย่คนที่ควรจะเจดีย์เนี่ยอยู่สี่ยมผูกคือพระพุทธเจ้านี่ พระพระเจษพระพระเจ้าหนึ่งพระอรหันต์หนึ่งแล้วพระจากับพระพ ด, ดิล่าเนี่ยถีอยังพวงควรเจือดีคือสัส่งเจืดีไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังในแต่สตาไปไหวเป็นอนุสติระ ล, ลึกถึงอยู่ที่มีคุณธรรมมีความดีในจะิตในใจก็จะเป็นไปเพื่อ สิบการเจริญของเขาเังเราลึกนึกได้ในทางดีอย่างว่าเป็นอนุสติเป็นทางไปสู่สุคติเมื่อเราลึกนึกได้เวลาจะตายเราเคยไปกราบไปไหว้ไปอัศรบูชาสถานี่อย่างนั้นอย่างนี้ถี่เป็นไปถึงความรวไใจศรัทธาเกิด ความสบายถึงสคิ ก, คกับใจระยะที่จากร่างไปก็จะเกิดสติจนจะเห็นประโยชนแบบนั้นแหะใ่ไหัไปบัรดาในต่างภาที่เอาไว้ทีทในตางเสียอะไรสังเกตมัน <c oughs> ก่อนดิต้องทันตากดไปกสาระชิตในประเทศต่างประเทศ สิ่งทำตัวของทันดีตายไปแล้วก็ยังมีคนไปกลาปรยว่าจสักการะบูชาคนขงเป็นแบนั้นยังอยู่เรา comment ตายไปคนยังไม่ตายยังเหลืออยู่พวกดีใจเหือไออกัวเขาวอยู่ที่ไหนก็เหมือนไปอยู่ที่นั้น ที่คนอื่นร้อนใส่ตั้งเยต้องจะเป็นก่อนเย็นค่อยะที่ย้อมมาดึกท่าเที่ยวย็นไหมไม่นม่วร้อนอยู่นิดหน่อยแต่ตอนดึกมารู้สึกในหอมผ่านนะ ผาหมพอกันไหมล่ะงานผ่านไปแล้วก็ค่อยเสด็จสบายไปแล้วแ้่นีน้แต่งานทางอืน่นตัวามาดึงไปดึงไปเยอะ <c ười> <c ười> ที่พิษพันธ์อาจารย์มั่นคนที่สนใจในประวัติของท่านทายอยตังมากร่าว่าสักการะบูชาไม่ว่าชิดใดทางใดต่างประเจติออมาเนื่องจากคุณงามความดีที่ท่านสะสมเอาไว้ตามธรรมยินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนท่านประพฤติตัวของท่านดี ของผู้นิยมทรงชอบถ้าพูดถึงวัตถุ ก, ก่อสร้างรูปต่างๆในโลกเห็นจะเป็นรูปของพระพุทธรูปของพระพุทธเจา้ามากมายเหลือเกินรูปสิ่งอื่นที่เขาสร้างขึ้นในเท่าเทียมรูปของพระพุทธเจา้าเขาสร้างเลยของมีข่า หลายอย่างนานาประการทองคำเขาคอยสร้างยกเขาคอยสร้างแหวนวขกคอสร้างทองแดงทองหนักทองเหลืองทองสมริดสมริด <c oughs> อิฐปูนตลอดหินไม้เขางาต่างๆถ้าจะมารวมขายเป็นมูลค่าก็คงจะนับในขั้วราคาของรูปที่ตนทําไว้ มีไหมถึงว่าคนเรื่อมใสคนศรัทธาคนเต็มใจที่จะเสียสละต้างเพราะถือว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ประเสริฐวิเศษไม่มีจิเลตัญหาในพระไทยของท่านใครเดื่อมใสศรัทธาและเลือกนึกถึงก็เป็นอนุสษษติ พุทธานุสติรละลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นบอ่อเกิดของความสุขความเจริญเป็นบอ่อเกิดของบุญของกุสศคนจริงนิยมสร้างกันมากมายหลายหลวงนับไม่ถ้วนนี่หมายถึงคุณความดีที่มีในพระองค์มาก่อนจะรูปเทวทัศน์นั้นรู้สึกว่าจะหายยาก ถึงเ็าทาขึ้นก็มีเพื่อจะสอนใจของคนทั่วไปอีกเหมือนกันแต่ไม่มากเหมือนรูปพระพุทธเจ้าใครไปเห็นเข้าเจอเขา้าหรือนึกคิดก่ออิจฉาเพราะรูปของเทวทัตท่านก็เป็นนักบวชเหมือนกันแต่ท่านก็พิชชัวยุยงให้พระสงฆ์ จากกันและทําร้ายพระพุทธเจ้ามีประวัติของท่านชั่วเสียมาอย่างนั้นยังจะเอ่ยชื่อ ว, ว่าเทวทัตก็ว่าไอ้เทวทัตเท่านั้นกว่าเสียใจกันเขาด่าเขาอัดเรียบเปยคนชั่วคนเสียีความชั่วความเสียมันเป็นแบบนั้นไม่มีใครนิยมชมชอบกันนี่เรื่องนอก ออกไปจากตัวของเราทางธรรมะทางศาสนาท่านสอนเห็นเซนโอปนยิโกคือน้องเข้ามาดูภายในของตัวเรามันเป็นอะไรกันแน่เป็นเทวทัตหรือเป็นสิทของพระพุธทธเจ้าตรวจตาที่ใจนาการทำการผูดการคิดในกายวาจาจิตของตัวจึงจะทราบ ว่าตัวชั่วตัวดีถ้าหากน่เลยตรวจตาที่เจรนาเช่นว่าตัวดีอยู่เรื่อยไปแต่คนอื่นเขาไม่เลื่อมใส่ศรัทธาคนอื่นเขาไม่ชอบไม่ยินดีแต่ตัวเองก็ถือว่าดีว่าเด่นอย่างนั้นอย่างนี้คนแบบนี้ทางศาสนาถือว่าคนไม่มีธรรมะในตัว คากคนมีธรรมะในตัวจะต้องตัวจตาที่จะนาตัวให้ถั่วถึงถั่วดีผิดถูกอย่างไรควรแก้ไขควรปรับปรุงต้องปรับปรุงแก้ไขในทางชั่วทางเสียจะกายว า, จายใจใจและริงใดที่จะก่อความสงบสุขมาให้แก่ตัวและเพื่อนดวงโลกก่อทำในสิ่งนั้น พระพุทธเจ้าฉันทํามาแบบนั้นสำหรับตัวของท่านทุกอย่างสิชั่วสีเสียออกไปแต่เรื่องความดีของใจความดีของอาจของธรรมจริงจังนั้นชาวโลกทั่วไปทีไหนเคยประพฤติปฏิบัติไม่เคยเห็นเคยเข้าใจชัดเจนก็มักอยากจะหงุดหงหรือตําหนิ มนถือว่าท่านไม่มีตาสงสารเผื่อบ้านลาน ต, ะ ล, ะตลอดถึงบุตรที่ดาของท่านอย่างพระพุทธเจ้าองค์คืูพระพุทธเจ้าของเราทรงพระหนดพระองค์ทรงไปลาพระราดบิดามารดาตลอดถึง กินพาราหุ่นถึงเป็นบุตรภริยาของท่านพวกเหล่านั้นก็เสีย อ, อกเสียใจว่าท่านนี้ไปแบบนั้นไปหาความสุขส่วนตัวไม่สมควรผู้ใหญ่ที่จะนี้ไปแบบนั้นจะต้องดูลูกล้านหรือสั่งลา ผูห้หลักผู้ใหญ่จินเนื้อตัวไปซึ่งเป็นบิดามารดาเชื่อก่อนจึงค่อยจะถูกต้องมีความคิดความเห็นความเป็นห่วงของขยาตทาวงของพระองค์พวกเราธรรมดาทุกวันนี้ก็เหมือนกันคนที่จะไปทําคุณงามความดีจริงจังนั้นเพรามักอยากหักห้ามคือห่วงเรื่องของโลกโดยส่วนใหญ่ ผูไปก็เหมือนกันไม่ค่อยเด็ดขาดว่าชาตินี้เราจะไปทำความดีเอาชีวิตเข้าประ ก, กันสิ่งใดดีควรทำได้เราจะทำอย่างนั้นของชั่วทั่วไปเราจะยอมเสียสละไม่ว่าทางกายทางมาจาทางจิตควรจี่นึกคิดอย่างนั้นยอมเสียสละเข้ามา ป, ปฏบิบัติทางศาสนา ถ้าคิดได้ทุกการทุกเวลาคนนั้นจะเป็นที่เลือ่อมใสศรัทธาของคนถ่วงไปอย่างท่านยันมั่นทานคิดอย่างนั้นทันจึงปฏิบัติอย่างเด่นในคิดเรื่องของกายว่าสำคัญเท่าเรื่องของใจถ้าคิดเรื่ อ, องความสุขทางกายเป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องของใจแล้ว ท่านก็ไปไม่รอดจะต้องคิดโชิอยู่ในโลกนี่ท่านเคยคิดอย่างนั้นประวัติของท่านก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าท่านไปที่ไหนอยู่อย่างไรตัวของท่านเคยเล่าตัวเราเองถูกไปได้ยินจากปากคําของท่านก็เคยนํามาทิดนิดที่เจนะท่านเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่ลืมตัวท่านจะหมั่นเวลาว่างกลางวัน เงียบเงียบเคยดอมองไปดูว่าท่านอยู่อย่างไรท่านทาอะไรท่านเคยปะผ้าของท่านไม่ว่าผ้าอาบผ้าอังสะผ้าของท่านมีการปะอย่างเต็มผืนอ่ะบางทีผ้าอังสะเมื่อเก่าหมดไปมีแต่ผ้าปะใหม่ติดอยู่ท่านปะโดยตัวของท่านเอง นี่ตัวใด้มาสอนตัวของตัวของสี่ในคอนควรถอดทิ้งควรที่จะปะเอาไว้ใช้สอยต่อไปพราควรจะทำทันจันมั่นทันเป็นพระผูหลักปูใหญ่มีคนเหลื่อมสายสัทธาขนาดไหนเราทำไมขาดนิดหน่อยๆถึงไปปล่อยทิ้งไปเลยสนใจนำมาสอนตัวขอวนี้ขอหนึ่งซึ่งได้จากท่าน มาประบัติปฏิบัติแต่ก็อย่างว่าคนโง่ได้ก็ได้นิดๆหน่อยๆได้เป็นการเป็นเวลาไม่ได้สม่ำเสมอเหมื อ, มอมนท่านนอกจากนั้นการประบัติปฏิบัติของท่านเดินยงกลมถ้าหาท่ลุกได้เป็นไข่พอไปได้มาได้นิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับลุกไม่ขึ้นท่านไม่เคยขาดเดินโยงกลมไม่ว่า ตอนเช้าตอนเย็นต้องเห็นท่านเดินยงกรมเป็นไปจําท่านเดินเผื่ออะไรเผื่อล่จีเหรีหรือเผื่อมันเท็นสุงงามความดีอะไรถ้าหาที่นี้พิจายนาแล้วธรรมะที่สั่นสอนไปไม่มีอะไรที่จะเ ห, หลือหลอเรื่องจิเหรีตั้นหาท่านก็คงจะดึงจูงจะมูอพวกเราซึ่งเป็นสิญานโนชิตจิตไปส่งพางอาศัยอยู่กับท่านให้เห็น จำเอาไว้เพื่อปฏิบัตินำศาสนาต่อไปนี่ขอวัดปฏิบัติประจําองค์ท่านเป็นอย่างนั้นท่านขยันหมั่นเพียรทุกอย่างการขบฉันการเป็นอยู่ของท่านสมัไมตอนก่อนท่านมรณภาพกพถือว่าท่านสลาภาพมากแล้วท่านเลยเสื่อนฉี่ไปฉี่ไหนเทไร สิ่งของต่างๆคนนำมาบางสกุลบางวันกว่าสามสีพวกโดยมากกุงเทียบไม่เคยจะเห็นจะถึงอะตอนนั้นพวกอุดรยังจัน ส, สัชสมาอุบลสกล น, นครขอนแก่นแถวเนี้ยถ้าออกพรรษาหลังไหลมาในวัดคาราวะหรือพระมาอยู่แทบทุกวัน พระเจ้าพระสงฆ์เขามาสดับรับฟังธรรมะจากท่านท่านคแนีสอนไปแต่การแนะสอนของท่านจนมั่นท่านจะต้องถามพื่นเพของจิตใจก่อนคือสมัยนั้นไม่เหมือนสมัยนี้พระเจอกันจะต้องถาม ถ, ามถึงจิตใจไปวิเวกที่ไหนเป็นอย่างไรด่านจิตใจไหลคออัดคอทําอะไรพออยู่ที่นั้น เดี๋ยวยวิเวกดีไหมหรือมีอะไรโครคกวนในการทำความเพียรท่านจะถามกันไปในํำนองนั้นในเหมือนทุกวันทุกวันนี้พระจะพูดถึงอัดทำทางละถอนกิเลสตัญหาหาจ้ะไม่ว่าพระอยู่ปา่าอยู่ดงไม่ว่าพระอยู่ในบ้านในเมืองมักพูดคุยกันไปในเรื่องนอกไม่ได้ ฝุดคุยในเรื่องภายในที่สัมรลกกายใจทองตัวเลยถือเรื่องวัตถุเป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องของจิตใจขาดแคลนนิดๆหน่อยๆทุกอยากลำบากกว่าไม่มีหวามอดคามทนเลยหาความสงบสุขของใจไม่ได้พออยู่ในที่ สมบูรณ์้วยหลาส ก, การะความวิเศษภาวานามันไหนมีมีคนมาเห็นผ่านมีเสียงมาลบกวนทุกอย่างการเวลาที่จะเป็นของของตัวข็หายากนี่ท่านไปอยู่ป่าโดยมากยิ่งอยู่ในเขาลึกๆอยู่คนเดียวโดยยอมเสียสละชีวิตอุทิศ ต, ต่อศาสนา เพราะใครหลอกห่างมันมีอยู่ในที่อย่างนั้นมันมีพวกเสือพวกช้างพวกสัตว์ป่าต่างๆถ้ า, ถ า, ถาพลาดผิดไปกลัวจะเกิดวิบัติมีอะไรต่างๆมาทำร้ายฉะนั้นสติปัญญาไม่ได้ออกห่างจากธรรมะทุก ระยะทุกเวลาจะต้องคิดนึกถึกซ้อมจิตใจของตัวให้อยู่ในขอบเขตของธรรมะสม่ำเสมอไปท่านจึงชมเชยเยื่องวิเวกเราเป็นสิดฝึกหัดปฏิบัติจิตใจง่ายกว่าอยู่ในสถานที่ธรรมดานี่ท่านจันมั่นท่านก็เคยมาแบบนั้น เรื่องสลดตั้งเวชจริงจังนั้นก็มีเรื่องหนึ่งถึงท่านเล่าด้วยปากของท่านเองเราฟังแล้วอดสลดไม่ได้สมัยนั้นคงจะเป็นสมัยสงครามตอนอินโดจีนหรือก่อนนั้นก็ไม่ทราบแต่ว่าท่านไปวิเวกทางนู้น่ะทางเหนือไปอยู่กับพวกมอเซอร์หแบบนั้นมอสเซอร์เราก็ไม่ทราบเป็นคนเผ่าใด เขาคงเขาบาอาเจอแต่ไม่เคยเห็นตัวของเขาขเป็นแบบไหนท่ามเป็นอยู่ของท่นานลาบากยากเย็นจริงๆ จ, จังจังทาที่กันนุ่งห่มชายสอยก็มีเพียงสามตัวเท่านั้นข่าของพระในเหมือนผ่าของพระคารวาข่าสามตัวคือสังคาิจีวรสบงนั้นข้าขาดห่างจากอนุวาดมาเพียงแปดนิ้วขนาดเจ็ดเส้นเท่านั้น ถ้าไมตซนไม่ปะข้ามคืนไปกว่าผิดพระวินัยของพระต้องเลยปะเลยซุนเอาไว้นี่เป็นพระวินัยของพระไม่เหมือนเราอาจจะขาดเท่าไรสั่งมันเรานุ่งได้นุ่งไปหรือไม่อยากนุ่งไม่อยากปะก็ไม่มีโทษมีภัยแต่ทางพระมีพระวินัยห้ามเอาไว้ถ้าปล่อยให้ขาด้าม วันข่ามคืนไปก็ผิดทางภาวินยัยเหตุ น, นั้นท่านที่เข่งคัดในภาวินยัยท่านก็เอาใจใส่เห็นผ่าขาดก็มาแล้วลึกนึกถึงภาวินยัยแล้วเราจะทำอย่างไรผ่าจะปะมันกลมีผ่าอื่นเพราะคนที่ไปอยู่ด้ยเขาเขาก็ไม่เลื่อมใสศรัทธากับท่าน ถ่าไปอยู่ในหมู่คนที่ไม่สนใจเพราะถ้าคนสนใจเขาจะไปหามาสู่ความเป็นอยู่ของเราจะไม่วิเวกเพียงพอมีความเป็นในจิตในใจของผู้ปฏิบัติเกินอย่างนั้นถ้าไปอยู่ในที่ใดเขารู้จักมรรคคุนเรื่อมใสาศรัทธาตอนวิเวกจริงจังไม่ใส่เพียงพอถ้าไปอยู่ในหมู่ชนที่เขาไม่เรื่อมใส อะไรกับเราพออาศัยข้าวกับเขาได้คือไปบินธบาตกเขามีอะไรเขาก็หายไปบางวันก็อดบางวันก็อิม่มบางวันก็มีพริกมี้คือบางวันก็มีแต่ข้าวเปล่ า, าอยู่ไปแบบนั้นเพราะไม่สนใจอะไรที่จะมาสร้างธรรมจำศีลมันสะดวกสบายในการปฏิบัติที่ท่านไปอยู่ก็ไ ป, ไปอยู่แบบนั้นพอผาขาดมา เข็มก็มีอยู่ฉันบอกก็เพราะกล่องเข็มนั้นเป็นอัธบริฐานของพระอันหนึ่งถึงไปสถานที่ใดจะต้องจิดตามตัวไปถ้าไปดิเวตต้องมีสล่องเข็มประจำตัวพระไม่มีญาติมิดที่ไหนอาศัยตัวเองท้งนั้น <c oughs> เวลาขาดข า, ขาดขาดหรือจะ ได้ผ้าใหม่มาก็ต้องเย็บเองจะหาจักเหมือนสมัยทุกวันมันไม่มีถึงมีมันก็อยู่ในบ้านในเมืองมีท่านอยู่ป่าจะได้ขอหยิบยืมจากใครมาเพราะชาวป่าเข้ามาตรงนีเคยรู้จักถึงกต่ว่าจักเย็บผ้าเป็นอย่างไรสมัยนั้นอาจเป็นไปได้มานอกตามแถวนี้ก็ดูหายากเหมือนกันจักสมัยท่านประพืชปฏิบัติเพราะท่างกูรูของรับ แบบขันไปหลายปีมาแล้วที่ท่านเล่าคงจะเป็นสมัยท่านปฏิบัติเก่งคาดอยู่ในปากก็เลยไม่คิดเห็นอะไรที่จะมาทุนมาปัดเพราะผ่าจะปะก็ไม่มีได้จะทุนก็ไม่มีแต่จะปล่อยเอาไว้เราก็เป็นอาบตเ่อเดิไปหาไม้ไผ่มาจากตอกอ่อนๆพอเย็บ คุณเอาไว้มีท่านพูดถึงเรื่องการปฏิบัติของท่านทุกยากลำบากขนาดไหนเราสลดตั้งเวทใจเพราะท่านบุกเบิกทำยี่ในกระเพื่ปฏิบัติศาสนามากโดยความทุกยากลำบากจริงจังจึงมีธรรมะมาแน่สอนพวกเราพวกเรามันถ่วมเกินไปอะไรก่อไม่ออดไม่ยาก ทับถมม่ว่าอาหารการโขบชั้นผ้าหนุ่งผ่าห่มต่างๆางมากกว่าเลยไม่เห็นทุกเห็นใครในวัฏสงสารเราพออยู่พอไปไม่มีอะไรทุกจนนี่เป็นเรื่องทางนอกจะจะหลบหลีกปีกทุกนั้นมันหลบหลีกไม่ได้ถึงเข้าของเงินทองถ่าถอนส่วนสบายอะไรทุกอย่างเหลือเฟือ เต็มบ้านเต็มโลกอยู่กว่าตาความทุกข์ของถาดหันถึงวันถึงเวลามันจะแตกสลายมันอาศัยอะไรไม่ได้จะเอาเข้าของเงินทองมาพักผมให้มันเหลื่อมใสสัทธาให้มันยินดีมีสุขมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะความทุกข์มันอยู่กับใจ ใจมันเป็นทุกข์มันกลัวธาตุขันธ์มันจะพังสลายลงไปความเจ็บปวดต่างๆนาน า, นากลัรบกวนเต็มที่นีไม่นทุกคนจะต้องเจอมนีทุกข์เรื่องของธาตุของขันธ์มันมีอยู่ด้วยการทุกทวนหน้าไม่ว่าพระไม่ว่า้าวว่าฉ ะ, ะ, ะนั้นผู้ใดพึ่งปฏิบัติทางด้านจิตใจนั้น ท่านจะต้องพิจารณาธาตุขันเป็นส่วนใหญ่เป็นเวทีสำคัญ้ายในฐานธาตุขันก็ไม่มีวันที่จะพ้นจากทุกธาตุขันเป็นอย่างไรท่านจะต้องที่นี้พิจารณาให้เข้าใจทั่วถึงผู้ปฏิบัติทุกรายเป็นอย่างนั้นจะต้องพิจารณาธาตุขันอย่างทีท่วนเราห่วงเราห่วงเรายึดเร า, เ า, เาถือ เรื่องถาดขันนี่เป็นสำคัญจนถึงก็ ว, ว่ายอมเสียสละชีวิตสแสวงหามาเพื่อถาดขันเือรูปกายไทยนองแต่จะหาอัตธรรมมาแจ่จิตใจที่คล่องสิตชิดรวงยึดถือเรื่องเหล่านั้นมันไม่่อยมีกันเหตุนั้นจิตใจจึงปวนปั่นเมื่อถาดขันมันจะแตกสลายผููที่ประพฤติปฏิบัติ พันธิจารณาถัดขันของท่านทีท่วนจนเข้าใจประจากษชัดเจนเรื่องธาตุเรื่องสมมุติที่บาดตายนั้นถ้าหากพิเจนนาตามธรรมะจริงจังผู้ที่มีธรรมะในใจจริงจังมันไม่มีอะไรตายหรอกสมมุติต่างหากมันตายไปดินน้ําลมไฟมันก็ไปตามสภาวะของมันถัดอะไรเป็นดิน เมื่อตายไปแล้วมันกดสลายไปเป็นดินตามเดิมของมันอะไรเป็นน้ํามันกดซึมสาบลงไปได้วเกิดไอระเหย อ, ออกไปตามเดิมของมันไฟลมก็เหมือนกันไม่มีอะไรตายท่านทราบท่านถอยใจไปจักอย่างเวทานาความเจ็บปวดก็อทำนองเดียว ก, กันมันเกิดมันดับอยู่ตลอดเวลา แต่เราไม่เด็ดพิจรารณาในนิสิติจึงไม่ทราบเรื่องท่องมันเรียนธานานั้นไม่ใช่จิตเป็นเรียนธานาตังหักขันยังมีอยู่จิตยังมีอยู่มันก็มีเรียนธานาสาหากักจิตออกจากร่างไปเรียนธานามันก่อหายดับลงไปสนิทไม่เกิดเรียนธานาอีกเรียนธานามันจะทุกขนาดไหนมันก็ไปเพียงแค่หมดลมหายใจตนนั้น มันไม่มีอะไรที่จะต่อเนื่องอีกท่นานทราบแล้วเรื่องแยกจากเวทนาไม่ให้จิตมาเกี่ยวข้องกับเวทนาว่าสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรจิตใจให้ยอยู่พะจิตใจเวทนาให้เป็นเวทนานั้นมันแยกไม่ออกถ้าหากหม่ที่นี้พิจารณาไม่ปฏิบัติในทางธรรมะจริงจัง ถ้าปฏิบัติในทางธรรมาจริงจังจะเห็นอีกเข้าใจอีกถึงมันมีอยู่กว่าสักจะวาเวทนามันเกิด อ, อย่างไรมันเป็นอย่างไรเราเห็นเราเข้าใจเรื่องของเวทนาไม่ใช่เรื่องของเราเราเป็นผู้ดูเหมือนเราดูลิเกละครนเขาเล่นไปแบบไหนเราก็ดูเรื่องของเขาไปแต่เราไมา่ได้ไปเล่นกับเขาเราดู นี่เคอจิตใจผูกกับพฤติปฏิบัติมีอัตนีธรรมท่านรู้หัวเวทนามันสแสดงอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ก็รู้แต่ท่านไม่เลยเป็นเวทนามีแบบหนึ่งซึ่งการต่อพฤติปฏิบัติจะรู้ชัดเข็นแจ้งในจิตในใจของผููกับพฤติปฏิบัติอีกแบบหนึ่งเวทนามันเกิดขึ้นเป็นที่ของมันพิจ า, ารณาจังยิงจัง เมือ่อรูทั่วเข้าใจถึงจริงจังมันจะรวมลงไปเมื่อใจรวมลงไปมันปล่อยไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ยึดถือเกาะเกี่ยวกับเรื่องของายของเวทนาของขันอะไรเพียงมีความรู้สึกเส้นหนึ่งอยู่อย่างนั้นมัได้ยึดได้ถืออะไรกันเวทนามันก็ดับไปหมด ความเจ็บความปวดเพราะเหตุใดเพราะใจมัน ม, ม า, าเกาะเกี่ยวกับเรื่องของขันของเวทนาถ้ามันเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่เคยเป็นใครเห็นใครรู้ปฏิบัตินั่นก็อัศจรรย์โทเรื่องของอัดของทำมันดีลิเศษขนาดนี้ถ้ามันลงได้รวมได้อย่างนี้มันก็ไม่ตัวเวทนาเกิดขึ้นมาทีหลังมันเกิดจะไปสิงแค่ไหน ถจีบเก่าของมันเท่านั้นมันจะลงจะรวมอีกหรือมันจะเป็นได้ถึงที่ไหนก็ทราบว่าเป็นเรื่องของเวทนานี่เราไม่ได้พิจนารณาอย่างนั้นพอเจ็บมาปวดมาก็เลยยึดว่าเราเจ็บเราปวดเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราไม่เข้าใจถึงจะเรียนจบดรดรมาจากที่ไหน ก็เอาเถอเรียนจบพระไตรปิฎกทางศาสนามาขอต่างถ้าไม่ได้เพื่อ ป, ปฏิบัติดูตัวเองแล้วจะไม่สาบจะไม่ขอาใจจะแก้ไขตัวเองไม่ได้